ใบไม้ร่วงเรื่องที่ยากที่สุดเกี่ยวกับความตายที่เราจะยอมรับได้มักจะเป็นเรื่องความตายของเด็กหลายๆครั้งที่อาตมาได้รับเกียรติให้ประกอบพิธีชาปนกิจเด็กหญิงหรือเด็กชายเล็กๆซึ่งจากไป ก่อนวัยอันควรยังไม่ทันได้ลิ้มรสชาติของชีวิตสักเท่าไหร่หน้าที่ของอาตมาคือการช่วยพ่อแม่ผู้ระทมทุกข์และคนอื่นๆให้พ้นจากความเจ็บปวดจากความรู้สึกผิดและจากความต้องการหาคำตอบว่าทำไมที่ครอบงำจิตใจอยู่ทุกขณะ อาตมามักจะเล่าเรื่องซึ่งมีคนเล่าให้อาตมาฟังที่เมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนเป็นการอุปมาอุปไมยดังนี้พระสายวัดป่าธรรมดาองค์หนึ่งกำลังนั่งสมาธิตามลำพังในกุฏิมุงห ญ, ญ้าในป่าหัวค่ำวันหนึ่ง เกิดพายุมรสุมรุนแรงมากเสียงลมอื้ออึงดังสนั่นราวกับเสียงเครื่องบินไอพ่นฝนตกหนักกระหน่ำสัตว์อังคากตุติยิ่งดหนยิ่งหนักแรกแรกก็ได้ยินแต่เสียงกิ่งไม้ฉี่ออกต้น ต่อมาต้นไม้ทั้งต้นก็ถอนรากถอนโคนลม้มลงด้วยแรงพายุกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นราวกับฟ้าผ่าในไม่ช้าท่านก็ตรหนักว่ากุติมุงหญ้านั้นไม่สามารถคุ้มครองท่านได้หากต้นไม้ลม้มลงมาทับหรือเพียงแค่กิ่งไม้หล่นมาสักท่อนก็จะสามารถพะลุหนังคาหญ้าลงมาทับท่านถึงตายได้ ท่านไม่ได้หลับเลยทั้งคืนท่านได้ยินเสียงต้นไม้ยักษ์ในป่าโค่นลงสู่พื้นดินต้นแล้วต้นเหล่าทำเอาหัวใจท่านเต้นไม่เป็นซ้ำเป็นพักๆและก็มักเป็นเช่นนี้เสมอพายุหยุดสนิทตอนรุ่งสางเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงท่านเดินออกมานอกกุฏิ เพื่อสํารวจความเสียหายกิ่งไม้ใหญ่ๆหลายกิ่งและต้นไม้ขนาดเขียงสองต้นล้มเฉียดกุฏิท่านชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดท่านรู้สึกว่าท่านโชคดีนักที่รอดมาได้สิ่งที่ดึงความสนใจของท่านโดยทันทีไม่ใช่ต้นไม้มากมายที่โดนถอนรากถอนโคนหรือกิ่งไม้ที่ร่วงเกลื่อนกลาดไปทั่วพื้นดิน แต่กลับเป็นใบไม้มากมายที่บัดนี้ร่วงทับถมกันหนาแน่นไปทั่วพื้นป่า เหมือนอย่างที่ท่านคาดคิดใบไม้ส่วนใหญ่ที่ร่วงหล่นไร้ชีวิตอยู่บนพื้นดินเป็นใบไม้แก่สีน้ำตาลซึ่งอยู่มานานเต็มทีแล้วท่ามกลางใบไม้สีน้ำตาลมีใบไม้สีเหลืองมากมายแถมยังมีใบไม้สีเขียวปนอยู่บ้าง ใบไม้สีเขียวบางส่วนดูสดและเขียวจัดชนิดที่ท่านรู้ว่ามันคงจะเพิ่งคลี่ออกมาจากตายอดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วบัดนั้นหัวใจของท่านได้เข้าถึงธรรมชาติแห่งความตายท่านต้องการจะทดสอบความจริงที่ท่านประจักษ์นี้ ท่านจึงแงน้าขึ้นไปมองใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นแน่นอนว่าใบไม้ส่วนมากที่เหลืออยู่บนต้นเป็นใบไม้สีเขียวอายุอ่อนๆที่อยู่ในสภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในวงจรชีวิตของมันอย่างไรก็ตามแม้จะมีใบไม้อ่อนๆสีเขียวร่วงหล่นไร้ชีวิตอยู่บนพื้นดินแต่ใบไม้สีน้ำตาลแก่ๆที่แห้งเหี่ยวแล้วบางส่วนก็ยังคงเกาะติดอยู่บนกิ่งไม้พระทันยิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา การตายของเด็กน้อยไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวอีกต่อไปเมื่อพายุแห่งความตายพัดผ่านเข้ามาในครอบครัวของเรามันมักจะพรากชีวิตท่านผู้ชราผู้เปรียบเสมือนใบไม้สีน้ำตาลมีลายพร้อย บางครั้งมันก็พรากชีวิตผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนเช่นใบไม้สีเหลืองบางครั้งหนุ่มสาวซึ่งอยู่ในวัยที่สดใสที่สุดของช่วงชีวิตเช่นเดียวกับใบไม้สีเขียวก็ตายเช่นกันและบางครั้งความตายยังพรากชีวิตเด็กเล็กๆบางคนไปด้วย เช่นเดียวกับที่พายุปลิกไปไม้อ่อนๆจำนวนหนึ่งลงชั้นนั้นธรรมชาติของความตายของมนุษย์เรามันเป็นเช่นนั้นเองเช่นเดียวกับธรรมชาติของพายุในป่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองแหละไม่ใช่เรื่องที่เราจะกล่าวโทษใครหรือทำให้ใครรู้สึกผิด ในเรื่องการตายของเด็กมันเป็นธรรมชาติของสรรพสินทั้งหลายใครจะกล่าวโทษพายุลับมันช่วยเราตอบคำถามว่าทำไมเด็กบางคนถึงตายก่อนเวลาอันสมควรคำตอบก็จะเป็นเหตุปัจจัยเดียวกันกับคำถามว่า ทำไมใบไม้อ่อนๆจำนวนหนึ่งแม้จะไม่มากนะักต้องร่วงหล่นในเวลาเกิดพายุ